อันนี้จะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีพิธีพิธองแล้วหรอกเพราะพระพุทธเจ้าท่านแนะนำตเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์พระองค์บอกทางให้ ทางที่จะไปสู่สุขติเรียกว่าเป็นทุนทางขึ้นไปสู่สุขติมีสามขัน้นหรือที่เรียกว่าบันไดาสามขัน้นตัวใดทางสามขั้นและบันไดาสามขั้นนี้พระองค์เทศดาว่าทานังคือ ก, การให้ สีดังคือการรักษาสินภาวนานั่งคือการเจริญภาวนานท่านบอกว่าเอกจังสักขังสัจติตนี่ทางไปสู่สุขติสวรรค์เอกจังโมกขังสัจตินอกจากนั้นแล้วค้นเสียซึ่ง ว่าตาสงสารคือโมกเขาทำนี่สังสายางอย่าไปสงสัยเลยท่านบอกวันทางทางสามขั้นนี้ไปเถอะให้ไปเถอะไม่ต้องสงสัยหรอกต้องถึงที่สุดแน่นอนทางที่พระองค์แนะนำไว้นั้นกว้างขวางมากการทำทาน ที่เรียกว่าทานังในที่นี้มากมายค่วงข่วงเลิอเกินท่านเทศนาถึงเรื่องทานในพระวินัยที่พุทธศาสนิกนควรที่จะรู้ไว้ว่าอันนาปาหนังวัดถังยาหนัง มาลาคันถังวิเลปนังพาว่าเสถังก็ดีไปอย่งางที่ไม่เอทัศวัตถุทานังเท่าไทานจิต ป, ประการนี้น่ะเลือกเอาคนจะทา น, น, นอะไรก็เอาให้เข้าเป็นทานก็ดีพระมันนีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนในบ้านในเรือน ง, งเรามีดมด ไม่ไ ม, ไม่เป็นของหายากใครใครก็มีั้งนั้นเน่ในบ้านในเรือนเราเรามีเข้าั้งนั้นเน่ะจะทานเข้าก็ได้เป็นของง่ายนิดเดียวปานางคือให้น้ำเป็นฐานนี่ ง, ง่ายที่สุดไม่ใช่แต่น้ำพมน้ำหวันน้ำปาหน้าต่างๆ น้ำเปล่าก็เอาถอะให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวไป่ตักมาทำบุญทำทาในกทได้เท่านั้นงานนังคือให้ทานยั่วยานเป็นภาหานะคือยัายานภาหนะให้เป็นทานเราไม่ต้องทานมากหรอกทานเก้าบาทสิบบาทเท่านั้นก็ได้ยานไม่ต้องไปซื้อไปอะไรหรอก ทานสิบบาทเท่านั้นก็ได้ทานง่ายนิดเดียววัดธังยานังคือว่าให้่าเป็นทานเรามีอยู่พาแล้วก็นุ่งหอบอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้อาจจะยากสักหน่อยมีแต่พอใช้พอต่อยมาสามารถจะให้ทานก็มีบางคน มาลาคันทางนิเลปนังคือให้ดอกไม้ทูปเทียนเครื่องหอมเครื่องยอมต่างๆที่เราทำบุญทำทานได้ทั้งนั้นดอกไม้ธมเถรในป่าในรกไม่เอาดอกไม้ตะวานก็มีในป่าก็มีควรที่เราจะทําบุญทำทาน อาหาว่าดีหาดอกไม้ดีๆก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีท้องเจอาวาสถังวิเรปรนังอาวาสถังปีไปยังให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนี้คือยากข้างหน่อยเพาเอาไของซื้อยากเดี๋ยวนี้ปีไปยังให้ เครื่องเสียงสว่างเป็นทานนี่พระ อ, องค์สอนให้เราไม่รู้จักที่จะทำบุญของเรานี้ทำบุญด้ทั้งนั้นท่านบอกงั้นบางคนนอนเฝ้าอยู่มีของเรานี้แต่ไม่สามารถจะทำบุญพระ อ, องค์ยิ่งสอนในพวกเราสอนให้เราทำทาง ขอให้ตั้งจิตได้ดีเถอะตั้งจิตมุ่งมั่นฝาถนาที่จะให้เป็นบุญมุตรสนนเป็นบุญทั้งหมดเ อ, อต้องมากมายของที่จะไปสู่สุขติสวรรค์นี้เท่านี้แหละไม่เอาอื่นไกละไรหรอกคนพืที่จิตตั้งมั่นฝ่าถนาบุญคุณ เพื่อประโยชน์ของตนแลงทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากๆขอมากๆแล้วจะเป็นบุญนั้นคนที่ทำบุญขอมากๆนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการเอาชื่อเสอีออยงต่า ง, งหากถ้าหากคู่ต้องการบุญจริงจังแล้ว ในเลือกของนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลมากมากยิ่งของมากยิ่งกุศลอยยิ่งกุศลมากมุ่งกว่วงขวางมากขึ้นไปคนทำบุญไม่รู้จักตัวบุญมันยากอยู่ทนรู้จักตัวบุญแล้วนั้นบุญเกิดที่หัวใจของเรา ใจขเราใสสว่างมองเห็นหมดวัตถุทั้งจิตประการนี้เป็นบนุญทางนั้นท่านจิตไม่ใสสว่างไม่ใสสะอาดไม่เห็นสักอย่างเดียวปิดมดมีของอยู่ก็ปกปิดไว้มดไม่ไม่สามารถที่จะสระกัมบุญได้ ครานี้เราตัวบุญคลินใจใจสว่างเราใสสะอาดเรเป็นตัวบุญขึ้นมาทั้งนั้นครานี้ตำาหน่งขราวาัวแดงมีเรื่องขรัวา่ามันไดสามขันที่จะไป็ตูตวรค์นอกจากนั้นอีก ถ้าไปถึงสวรรค์ลแล้วเป็นไปก็ผินาวนอีกเหมือนกันอันนั้นมันยากอยู่แตหน่อยขอให้ได้ขั้นสามขั้นบนึงตนนี้เถอะแต่ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไวใดข้อมีบุญในใจของตน อย่างทําทุกวันทุกวันพึทธาลักษาพยายามไม่ให้จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืนจิตใจแน่วแน่ในการบุญกุศลเมื่อเป็นชั้นนั้นแล้วเราทําบุญอะไรก็รักษาสัฏฐานนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมัดจาก ทันใดสามขันกันใดนี่ถ้าหากเขาทำบุญจริงๆแหละใจแน่วแน่เต็มที่บางทีมีสิ่งอะไรสิ่งเนึ่ยมันกระทบกระเทือนคนก็ดีด้วยสิ่งต่างๆคดีมากระทบกระเทือนเดือดร้อนไม่ต้องอื่นไกลละ่ะแต่เพียงว่าแล้วของทำของหกเท่านั้นอ่ะ ใยจิตเศร้าหมองเลยทำของแตกมาเศร้าหมองเลยมันยากตรงนี้ยากที่รักษาไว้ได้เห็นนั้นจึงควรที่จะคิดพิจารณาถึงบุญนี้ต่อดเวลาบุญคือตัวจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจะจิตใจฟังใสยอยู่เสมออันนั้นจะรักษาไว้ได้นานหน่อยวันนี้ท่าเทศนา สามหลาาักคารวทั่วไปพุทธบริษัททั่วไปหมดที่นับถือพุทธศาสนาต้องจิตใจกว้างขวางเบิกบานจิตใจอิ่มเอิบในการบุญกุศ์จึงได้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเทศะ พ, พระนิผู้บวช เพศนเรื่องจินขึ้นไปจินสมาธิปัญญาเพราะอะไรขอพระหรือผู้บวชไม่สามารถที่จะสอนเ้าแสวงหาทานยมถูกทั้งหลายเหล่านั้นได้รักษาจินเคร่งคัดบริบูรณ์ และไม่สามารถจะรักษา จ, จะหาของนั้นของวัตถุจิตของวัตถุทานจิ ต, าจตออการนั้นได้จึงว่าให้รักใ ห, ใ, หให้ให้รักษาจิตการรักษาจิตนี่เป็นทานในในตัวเป็นอภัยทานในในตัว ไม่่าดตัดลักษาเพระเพืพ่อผิดไม่ใช้ใจอะไรต่างนั้นเป็นอภัยฐานในนั้นนหะสมาธิแน่วแน่เต็มที่ไม่คิดถึงการวุ่นวี่นวน ว, นวายทั้งหลายลนะเรื่องแสลงหาไม่ต้องคิดหอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วหลัให้เกิดปัญญาพิจารณาสอด ส, สอบสิ่งทั้งหลายขอ ง, งมดที่ว่าผ่านที่ ที่ว่าผ่านเกิดความรู้เท่ารู้ตัวหมดนั้นเป็นปัญญาสอนนั่นแต่ให้รักษาจิตและก็ภาวนาทําำได้ปัญญาสอนสมาธิปัญญาชินสมาธิปัญญามีสามเหมือนกันพาคกัมีสามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันมันเป็นบันได สามขันเหมือนกันที่ยังไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าคุณธบุษัล่านี้เป็นผู้มีศีลแล้วฐานมันจะกล่าวเป็นเอง อจมันเบิกบานกว้างขวาง ม, มันอดไม่ได้ทุกที่จะทำฐานขอให้มีศิลถึงศิลข้อครอบริบูรณ์เน่ะมันกว้างขวา ง, างเองเบิกบานเองจิตใจแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศ ท, ทุกทางอันนั้นนะเมตตาก็ไม่หาเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้สินในตัวเมื่อรักษาศิน บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วแล้วมาพิจารณาเรื่องสินไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นอ่ะพิจารณาเรื่องสินน่ะสินข้อนั้งงนก็งดเว้นไดข้อนั้นงดเว้นไดงดเว้นใดทั้งห้าขอ้อจิตใจจะอิ่มเ อ, อืบเบิกหวานคือปัญญาใจ นั่นแหะเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปอื่นใจเอ า, าอันเดีวเรรเย 9, 9, นนดวนั่นแหะเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเอาชิ้นตัวเดียวเท่านั้นเอาชิ้นเอาชิ้นอย่างเดียวเท่านั้นชิ้นแดนเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นสมาธิขึ้นมาท่าสมาธิเกิดขึ้นมาในเส้นแนว มันพิจาณาสอบสองแคว น, นี้เรื่องสินที่เราพิจารณาน่ยมันเป็นตัวปัญญาในตัวเราจะมาพูดถการที่จะรักษาสินได้มันต้องมีปัญญาใช่ปะถ้าไม่มีปัญญารักษาสินไม่ได้คนเรา จี่งดเล่นจากโทษ น, น, นั้นเพราะเห็นโทษเห็นคุณของสินเห็นโทษของการไม่รักษาสินนั่นแหละตัวปัญญาจึงค่อยรักษาสินได้รักษาอย่างนี้รักษาสินอย่างว่าเนี่ยมั่นของทาอ้ารดียิกลัวที่จะ ไปสวัสดฐานินเป็นตัวๆเป็นพ้อขอ้องาเว้นแากค่ารักษาพื้นผิวที่ชาศาศาใช้จ่ายใต่างๆเปพอขอ้อคือไม่ถึงจิตไม่ถึงใจรักษาเป็นอขอข้อห้าข้อเหลายตัวไปแล้วห้ายอย่างเลยขี้เกียจรักษาสินเพะนั้นสินไม่ถาวด ถพิจารณาเห็นชินชัดเจนในตนเองว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปกรรมบาปกรรมนี้มันจะทำให้เราตกนรกอบายหลายครบหลายชาติลดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นมุ่งมิตรสน ทำให้จิตใจละควองใสสะอาดอาจาจากความโม่หมองจิตใจละควองใสการลักการไม่ไม่ลักของเขาหรือกระพิธีวิญญาจารย์กล่าวของอุตสวาท ด, ดื่มทุดารามไปไหก็เช่นเดียวกันเห็นกรรมของตนที่ตนทำชั่ว คิดมาสอดตรงเห็นกรรมของตนที่ตนทําดีจิตใจคงใสสะอาดแล้วคราวนี้ค้าเห็นความใสสะอาดของตนจิตใจคงใสของตนแล้วจะไปอดรักษาชินได้ไหมจะไม่รักษาชินได้ไงคนเราต้องการดีเห็นความดีแล้วตนว่าต่อรักษามันคงเงินที่จิต นี่กวัวที่จะไปรักษาตามข้พพอนะโดยที่ไม่เข้าใจดีกว่าที่ไม่พิจรารณาสิ้นชัดนั่นเดียวไม่เข้าใจในจิตรักษาจิตไม่ท้าวอกอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาเคอรักษาสินได้มั่นคง เอาปัญญาตอนนี้ใช่ก่อนเอาปัญญาสูกนะเอาปัญญาที่รักษาจิตทําพื่อนานใช่ก่อนให้มัแมนแน่นแฟ้นลงไปใช่ก่อนส่วนปัญญาวิจัยนั้นมันให้ไม่ค่อยเกิดออกให้มันชัดตรง น, นี้ด้วยใจตัวเองใช่ไหมอันนี้แหละจแต่อันนี้เลย ถ้าเคราะห์โศกก็นังถ้านเทศนาว่ะเป็นบันไดคนที่จะขึ้นไปสู่สุกติสวรรค์ไม่ต้องสุคติสวรรค์ที่ไหนละ่ะสุกติคือตัวพวกเรานี่แหละที่จะเป็นคนดีคือป่นานะเรียกว่าสุกติทําตนใม้เป็นคนดีเรียกว่าสุตาตนนกสติมีสามขั้นตรงนี้แหละที่จะทําดีคนเสียใจสามอย่างนี้แล้วไม่ได้เลย จะเป็นคนดีไม่ได้มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นอย่าไปงมงายหาสิ่งื่นเลยจะหาที่ไหนมันจะได้มันจะถูกคนทางอย่างพระเจ้าทเทศนาสองนี่ไม่มีหรอกทางที่ไปสู่สุขตีทางนี้แหละทางที่จะไปหาคนดีเท่านี้แหละเราทำนี้สามอย่างเี้ต่อเปพอ นักเพราะทานก็นเคยทานมาแล้วรักษาศีล้วก็เคยรักษามาแล้วส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยห น, น, นาน้อยคนซึ่งจะได้ทําเหตุน่ามาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้จึงควรที่จะอดกลั้น ทำกวาเพียรภาวนาอย่าไปเห็นเกศความเดน็ดความเหนื่อยความลำบากยากเยน็นนานๆตังมีทีหนึ่งอุตส่าห์พยายามทำให้มันอดทนจะมันจนเป็นสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือให้รักษาให้หาจิตไม่ใช่หาอื่นใส่ทำอะไรก็เอาเถอะ จะภาวนาหมักภาวนาอย่างเอ้ฝั่งไหนก็เอาเถอะคือหาจิตเท่านั้นเนี่ยให้เห็นจิตของตนเองจึงเรียกว่าภาวนาคือวิธีหาจิตนั่นรู้จักว่าจิตของตนคิดสงสายปรุงแต่งอะไรต่างให้รู้เรื่อง ให้เข้าใจว่าน้าเป็นจิตต้องเรามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งอยู่เฉยเไม่ได้หรอกมันต้องคิดนึกปรุงแต่งเพราะนึกคิดปรุงแต่งอะไรเรียกว่าจิตไม่มีตัวมีตัวหรอกจึงต้องปริกรรมภาวนาจะใช้อะไรก็เอาพุโทโธพุโทโธเท่านั้นก็เอาให้จิตมาอยู่ในนั้นน่ะ หรือว่าจะนึกอย่างสัมมาและหังก็เอาหรือยุบหน่อพ้างหนอก็เอาอนัปมาสติวัฒนาสติได้ทั้งนั้นแหะแต่อย่าไปเอาหลายอย่างเอาอันเดียวหลายอย่างลังเลจิดในแนวแน่ติดไม่รวมเป็นไม่ไม่ไมาอยู่อันเดียวกันไม่มาอยู่อันเดียว ให้หาจิตให้มันเห็นถ้าหาจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเรามาอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันมากมายนั้นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมเทอีกั้นเองคิดนู่นคิดนี่ปลุกเู้นปลุกนี่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องมันไม่อยู่ปกติ เราเข้าใจว่าจิตหลายอย่างท่านหากามาอยู่ในอันเดียวแล้วเช่นนึกพุโทโธอยู่แน่วแน่อันเดียวแล้วมันไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นไม่ได้คุนึกเลยคุณนึกถึงพุโทโธพุธโทโธนะมันอยู่อันเดียวมันว่าจับจิตอันนั้นให้มันได้เมื่อนึกพุโทโธอยู่อันเดียวคําที่เรานึกพุโทโธนั้น มันจะหายไป่แล้วผ่านี้เพรามันนึกถึงพุโทโธเนะี่ยคําเดียวนะ่ะอันพุโทโธเนี่ยหายไป่แล้วานนี้นึกถึงผู้ที่ผู้คิดผู้นึกกันนะ่ยผู้นั้นอนะ่ะเป็นตัวจิตอันพุโทโธคําว่าพุโทโธเนะคําปติกรรมมันเลยหายไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชจิตแต่แล้วผ่านี่มันเห็นตัวจิตแล้ววิธีที่นึกพุโทโธนะคือ ล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นดังนั้นจิตมาอยู่แล้วคานนี้ท่านพุทโธได้หายไปยังเหลือใจจิต ก, กูเดียวนั่นเลยจิตมันเดียวแท้ๆที่เดียวมาอยู่พุทโธเดียวเท่านั้นแนะ่ะพุทโธหายไปหมดยังเหลือใจจิตอย่เดียวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนะั่นภาวนาถึงภาวนาเลื่อ คร้น <c oughs> เมื่อภาวนาเป็นอย่างนั้นเน่ยมันแน่วเยินอยู่อันเดียวละจับตัวนั้นนะมันแน่นแน่นแฟ่ย์อย่าอย่าไปสงสัยบอกแว่าอยากภานาเนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาวนานึดถึงพุทธโธอันเดียวละอันนี้มันรวมรงมันรวมละคั้นมันถึงจิตแต่มันเข้าถึงใจแล้วค่ะนี่จิตกับใจต่างกัน ผู้คิดใจผู้ผู้อยู่ผู้รู้นะเข้าถึงผู้รู้แล้วครับี่ันเมื่อในคิดแล้วก็เข้าถึงใจคือผู้รู้จิต ค, คือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางตัวกลางนั่นะตัวกลางกน่ะเป็นตัวใจ ไม่มีอดีตอนาคตลงปัจจุบันเลยครั้งเมื่อลงปัจจุบันแล้วตัวของเราก็มีแล้วค่ะนี่หายไปไหนะวะคือมันยังเหลือใจใจตัวใจตันนั้นอ่ะมันจะไปเกิดในที่ต่างๆใจตัวนั้นอนะ่มนะนนใในนะมันไม่ไปเรากายนี่ตายแล้วก็ทิ้งในนี้จึงให้หาตัวใจให้เห็น ถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจทำนี้ก็ได้เราลองกลั้นใจลองดูกลั้นใจจะพักหนึ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปุุงไม่แต่งหายหมดยังเหลือแต่ผูรู้อันนั้นแหละตัวใจท่านลงในใจรู ก, ก็ได้ มันดีมีประโยชน์อย่างนี้เลยลมหายใจเวลาเจ็บเวลาเจ็ดมากแล้วก็กา้านลมหายใจค่อยบบาค่อยสงบลงไปนั่นเรียวกว่าใจแต่ว่าใจนั่นลมหายใจนั้นก้านนานกไ็ได้เลมันใจจะขาดหายใจไปได้ตาย อันนั้นทดลองดูให้เฉยๆเน่ะให้รู้จักเรื่องวิธีหาใจ